เอาตนเข้าไปเปรียบพระพุทธภาสิตสัพเพตันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุนอัตานังอุปมังกตวานะหเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออาจยากลัวต่อความตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความความรักตนเป็นสิ่งธรรมดายอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย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 เป็นแต่ขงจื้อกล่าวว่าจงทำรรส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทำพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงย้ำมากในเรื่องนี้ศาสนาแห่งพระองค์เป็นศาสนาแห่ ง, ว ค, ง, ยยงวความไม่เบียดเบียนคือไอหิ่งซาปรโมธัมโมทรงยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนการเป็นธรรมอันเลิศทรงยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบ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 นางกินจมานวิกาเป็นต้นคำพีอุปนิษัตต์าศาสดาหมหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องอหิงสาทั้งสิน้นและปรัชญาสมัยใหม่ในสัตวรรษที่2ี่สแห่งคริตกาลเช่นมหาธระมคารทีก็ย้ำเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่คารทียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้คารทีถือว่าการกระทำเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเองและไม่ถือเป็นการเบียดเบียน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 เท่าที่มันยังใช้การได้อยู่ยิ่งพูดไปอหิงสาของคาน์ทีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีคาน์ทีอานปฏิบัติได้แต่คนทั่วไปปฏิบัติได้ยากเหลือเกินและดูเหมือนว่าอาหิงสาเบื้องต้นของคาน์ทีจะขาดกับอหิงสาในขั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นยอมอนุญาตให้ฆ่าศาสตร์บางอย่างได้แต่ต่อมากล่าวอาหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่อ อ, อหิงสา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 มีเรื่องยอดดังนี้ในสมัยหนึ่งภิกษุสัตตะระสะพัก ค, คีคือภิกษุพวกสิเจ็ดคนซ่อมแซมเสนาสนะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วพวกภิกษุฉักภัก ค, คีคือพวกหกคนไล่ให้พวกสิบเจ็ดออกจากเสนาสนะอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสนาสนะพวกนั้นควรถึงแก่ตนเมื่อพวกสิบเจ็ดไม่ยอมเพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้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 ยกเว้นสีพวกคือหนึ่งช้างอาชาในสองม้าอาชาในสยมโคอุสุภราชสพระขีนาศ ส, สัตว์สามพวกแรกไม่กลัวตายเพราะมีสกายทิฐิจัดคือมีความทนงตนจัดส่วนพระขีนาศไม่กลัวตายเพราะละสกายทิฐิได้แล้วไม่มีความทนงตนเลย